โลกไม่ตามใจเราบทความโดยดังตรินจัดทาโดยมนทาปินทองสำหรับรายชื่อเจ้าภาพอีกจำนวนหนึ่งรวมอนุโมทนาได้จากท้ายเรื่องนะครับโลกไม่ตามใจเราเมื่อเราพอใจความเย็นแต่โลกพอใจคลายความเ่าร้อนทางเดียวคือทำใจยอมรับและเตรียมกายสู้ไอร้อน โลกไม่ตามใจเราเมื่อเราพอใจความอบอุ่นแต่โลกพอใจกระจายความเหน็บหนาวทางเดียวคือทำใจยอมรับและเตรียมกายสู้ไอเย็นโลกไม่ตามใจเราเมื่ออยากเห็นดอกไม้บานแต่ยังไม่ถึงเวลาบานของดอกไม้สิ่งที่ทำได้คือรอคอย โลกไม่ตามใจเราแม้ไม่อยากเห็นใบไม้ร่วงแต่ถ้าถึงเวลาร่วงหล่นของใบไม้สิ่งที่ทำได้คือมองดูโลกไม่ตามใจเราแม้เราอยากเห็นแต่คนดีถ้าว่าโลกมีแต่คนเลวให้ดูเราก็ต้องดูและรู้ว่าเป็นหนึ่งในนั้นไหม โลกไม่ตามใจเราแม้เราอยากพบแต่คนมีเหตุผลเทาว่าโลกมีแต่คนเอาใจตนเป็นใหญ่เราก็ต้องทนและไม่หลงเอาแต่ใจตนตามเขาโลกไม่ตามใจเราเราก็ไม่จำเป็นต้องตามใจโลกถ้าโลกร้ายเกินกว่าจะเอาตามก็ต้องถามหาสิ่งที่ดีขึ้นและถ้าอยากเห็นโลกดีขึ้น ต้องไม่ใช่ด้วยการเฝ้าเรียกร้องแต่ต้องด้วยการลงมือทำเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโลกโลกไม่ตามใจเราถึงแม้อยากมีคนรักแต่โลกไม่เคยพาคนรักมาให้พบก็ต้องคบกับเงาตัวเองบรรเลงเพลงแห่งควาเมเงียบต่อไปโดยไม่จำเป็นต้องเหงาโลกไม่ตามใจเรา แม้เมื่อพบคนรักแล้วแต่โลกพอใจให้แคล้วคลาดอย่างเราจะทำอะไรได้ก็ต้องเลือกระหว่างวางเฉยกับลงนอนดิ้นทุรนปางตายโลกไม่ตามใจเราแม้เมื่อได้อยู่กับคนรักแล้วแต่โลกพอใจให้พรากจากเตรียมวันตายเอาไว้ไม่บอกกล่าวแล้วเราจะไปฟ้องศาลไหน เพื่อให้ทำโทษมัจจุราชได้โลกไม่ตามใจเราแม้โลกให้ชีวิตมาก็ไม่ได้หมายความว่าชีวิตเป็นของเราไม่มีชีวิตใดเป็นอมตะไม่มีทางทำให้ชีวิตใดค้ำฟ้าทุกนาทีแห่งการมีชีวิตคือการเขย่าใกล้ความไร้ชีวิตเข้าไปทุกที โลกไม่ตามใจเราถ้าโลกกําหนดให้การตายดับมีใช่เหมือนการดับเปลวเทียนแต่เป็นการต่อเทียนเล่มใหม่จะมีใครขัดขืนโลกไม่ตามใจเราแต่โลกก็ไม่ไร้เหตุผลถ้าเราเข้าใจเหตุผลก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้เข้าใจโลกเมื่อใดเข้าใจโลกเราจะเลิอกอยากให้โลก ตามใจเราอ่านหนังสือเล่มนี้และงานของคุณดังปรินอีกหลายเล่มได้ฟรีหรือสั่งซื้อหนังสือเพื่อแจกในงานหรือสถานที่ต่างๆดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ดังปริน .com นะครับชมรมผลดีเป็นเพียงผู้จัดทำเสียงอ่านที่เห็นว่าหนังสือเล่มไหนดีก็นำมาจัดทำเป็นสื่อเสียงอ่านธรรมะเพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ขออนุโมทนากับเจ้าภาพร่วมเพื่อจัดทำเสียงอันหนังสือเตรียมสเสบียงไว้เลี้ยงตัวภาคอยู่สบายนอกเหนือไปจากที่อ่านไว้ในตอนต้นของแต่และเรื่องอีกดังนี้นะครับคุณสุทาสินเขียวทองคุณกวิศราสวิสเซอร์จ่าเอกสมนึกสถาวิวัตรครอบครัวเรียนทองคุณสุทินสกุลแทคุณอิธิชศิริภาสกุลคุณสัิธรเดชพักดีคุณธีรกรอ่อนนวลเขาคุณละ อ, อรัสสกุลเพชรวิสุทธ คุณวีรพัฒน์พิจพงศ์ธนากูลคุณเหมือนรุษไทยก้อนสุรินทร์คุณรัตนาสุดาคงสวัสดิ์คุณพลอยภัยลินกิรติสิริพันธ์คุณกริพานุชัยรัตน์คุณพรชัยวิรุณบันเทิงคุณภัยจิตงามสุริยพงษ์คุณชนลทิติภาสาธิกาคุณนัทนันทพลพุ่งทิมคุณจรูุลักษณ์พิรมเลิศคุณอนนบลีลามณีและขออนุโมทนากับผู้ไม่ประสงค์ออกนามด้วยนะครับสัพพะธนังธรรมธนังจินาติ การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงเผยพระต่อได้โดยไม่ต้องขออนุญาตแต่ห้ามตัดต่อดัดแปลงแก้ไขเด็ดขาดนะครับหากช่วยเผยพระต่อในช่องทางใดก็ตามกบรุณ า, า, ยาอย่าใส่โฆษณาตอนต้นเรื่องรหรือกลางเรื่องนะครับติดตามติดต่อดาวน์โหลดและดูข้อมูลทั้งหมดของชมรมผลดีและโจโจเสียงธรรมได้ที่เว็บไซต์จโจด n e เในปัจจุบันมีคนใช้ชื่อโจโจเยอะมากนะครับ ก็โปรดระวังการเข้าใจผิดด้วยนะครับหน้าที่ของชาวพุทธที่แท้คือศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมและช่วยกันเผยแผ่ธรรมขอทุกท่านเจริญในทางที่เป็นกุศลยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับอริยคุณพุทธธรรมโจโฉเสียงธรรมชมรมผลดีพฤศภาคมพุทธศักราช2564